เรียกว่าแทบทุกร้านเลยก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาทิเบตเด่นกว่าพุทธศาสนาแนวอื่นเพราะว่าทลายละมะก็ดีหรือว่าอาจารย์ทิเบตหลายๆท่านก็ไปเผยแพ่ศาสนาจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับคนดังหรือว่าดารา ชาวอเมริกันหลายคนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ทรายลมมะอย่างเชลริชาต์เกียรย์แล้วที่ไม่เป็นที่รู้จักก็ยังมีอีกมากปัญญาชนจำนวนมากในมาเทอร์ไลก็สดสนใจการฝึกสมาธิแบบที่เบตแต่เมื่อ40ปีที่แล้วนี่คนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่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 ทานตัวท่านเองนี่ก็เป็นคริสนะแต่ว่าก็มีความประทับใจพระทิเบตท่านนี้มากที่จริงใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระทิเบตจำนวนมากก็จะรู้สึกประทับใจเป็นคนที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันผ่อนคลายแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็มีน้ําใจท่านก็ดูแลพระทิเบตที่อยู่ได้ประมาณ 3- าสี่วัน จนกระทั่งวันที่พระธิเบศนะก็จะกลับก็จะกลับไปอินเดียนะกลับไปอินเดียอาจารย์ท่านนี้ซึ่งตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่นะกว่าเสรเศษก็สอบถามว่าท่านวัดของท่านอยู่ที่ไหนในส่วนใดของประเทศอินเดียนะแล้วก็บอกว่าถ้าผมเรียนจบแล้วนะ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 สถานที่เขาจัดรีทรีทต์กันอันนั้นก็มีประโยชน์นะแต่ว่าไอความสงบจากสถานที่เนี่ยซึ่งทางพุทธศาสานาเรียกว่ากายวิเวกนะกา ย, ยวิเวกเนะี่ยคือความวิเวกทางกายอันได้แกนะ่ความสงบไม่มีเสียงรบกวนสถานที่ที่สงัดอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่นะ ในโอวาทปฏติโมกนะก็ ok จะมีข้อหนึ่งบอกว่าการนอนการนั่งในที่อันสงบนะหนึ่งใน6ข้อนะของการบํเาเพ็ญบำเพ็ญธรรมนะข้อหนึ่งคือว่าการนอนการนิ่งในที่อันสงัดอันนี้ก็สําคัญนะแต่ว่าถ้าเราจะรอแต่สถานที่ที่สงบสงัดเพื่อว่าจะให้ใจเราสงบ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 พ่อแม่ของเราที่เขามีความรักกับเรามีความรักให้เราหรือแม้กระทั่งคู่ครองเนี่ยเขาก็มีความรักให้เราเต็มที่นะแต่ว่าก็มักจะมีสิ่งที่ขัดอกขัดใจกันพูทจากกระทบกระทั่งกันอยู่นะการที่ที่จะอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมาก ร, กระทั่งกับเรานะไม่มีเสียงดังไม่มีคน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 คนที่ไม่มีสติเนี่ยนะก็ได้แก่คนบ้าหรือว่าเป็นคนที่สลบหลับไหลนะที่เรายังมานั่งฟังนะอรตมาบรรยายมาสวดมนต์ทำวัดได้แล้วก็อยู่ในความสงบได้นี่ก็แสดงว่าเราก็มีสติครองใจพอสมควรในะงานนี้ก็อาจจะเผอพูดคุยกันนะเพราะว่าอยากพูดอยากคุย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 ที่ชายภูมินี่ขายได้เดือนละสอล้า น, นแต่ว่าปีเดือนหน้าอีก 3-4 mm hmm. เดือนหน้าอาจจะน้อยลงกับ น, นั้นนะหลายคนพอคิดแค่นี้ก็เกิดความทุกข์เกิดความกังวลแล้วถ้าเป็นเซลเเซล์ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทนะถ้าเป็นเอเจนต์นี่จิตใจรุ่มร้อนแล้วขายติมนะขายติมให้ความสงบเย็นแก่คนแต่ว่าใจรุ่มร้อนเพราะว่าไปนึกถึงเศรษฐกิจข้างหน้าที่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 จนถึงพระ น, นิพพานนะเพราะว่ากองทุกที่เราที่ขวางเราอยู่ที่ขวางเราไม่ให้นิพพานนี่มันใหญ่กว่าให้ความทุกในความทุกในสํานักงานหรือความทุกที่กําลังเกิดขึ้นจากอาชีพการงานด้วยซ้ำนะพอพูนเขาก็ได้คิดขึ้นมาเออให้ความทุกที่เราเจอนี่มันยังเล็กอยู่นะเมื่อเทียบกับกองทุกอีกมากมายมาหืมาที่ขวางทางนิพพานนะถ้าแค่นี้ยังไม่ผ่านแล้จะไป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 แค่สีห้าขวบลูกชายก็เป็นคนฉลาดชื่อประวาลปกติเวลาแม่ว่าประวานเนี่ยแม่ต่อว่าประวานประวาลก็จะเถียงแล้วก็เป็นเด็กที่เถียงได้เก่งเพราะเด็กฉลาดแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็ว่าประวาลนีประวาลไม่เถียงประวานเงียบเสร็จแล้วก็เดินออกไปแม่แปลกใจก็เลยเดินตามประวาลไป ถามว่าปาวานไปไหนปาวานบอกผมจะไปสงบสติอารมณ์ครับการที่ปาวานพูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ารู้ว่าข้างในใจเนี่ยมันร้อ น, นบางคนเนี่ยเวลาเกิดความร้อนความไม่พอใจขึ้นมาไม่รู้ตัวนะก็ยังเถียงก็ยังว่าก็ยังะทะเลา ะ, ะหรือว่าต่อว่าคนอื่น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 ประตูเป็นกระจกนะเด็กไม่เห็นนะ่ะนึกว่าประตูมันเปิดอยู่วิ่งเข้าไปจะออกจากบ้านก็ไปชนประตูเต็มแรงเสียงดังตูมน้องไอ้ก็ร้องแม่อยู่ในครัวก็ได้ยินเสียงร้องของลูกก็รีบวิ่งเข้ามาจะกอดลูกจะมาปลอบลูกเนะ่ะน้องไอ้นี่บอกว่ายกมือห้ามบอกแม่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอ้นั่งสมาธินะ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 นะทุกสามชั่วโมงเรียกร้องขอเอาทุกสองชั่วโมงขอทุกชั่วโมงเลยพอทําสมาธิปุ๊บนี่มอร์ฟีนเนี่ยต้องการน้อยมากนะบางทีทั้งวันก็แค่2ครั้งก็พอแทนที่จะเป็น8ครั้งต่อวันหรือต้องการนะทุกชั่วโมงเนะพราะว่าเขาพบว่าเนี่ยมันพอทําสมาธิแล้วมันก็ไปส่งผลต่อสมองที่ทําให้สารบางตัวหลั่งออกมาช่วยระงับปวดได้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 มันยิ่งดื้อนะแรงกดเท่ากับแรงสะท้อนนี่วิทยาศาสตร์บอกเราไว้แรงกดเท่ากับแรงสะท้อนกดเท่าไหร่มันก็ยิ่งสะท้อนกลับมามากเท่านั้นอันนี้ไม่ได้ใช้กับวัตถุอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้กับวัาสดาุาอ่างเดียวมันใช้กับอารมณ์ด้วยนะยิ่งไปกดมันมันก็ยิ่งสะท้อนยิ่งยิ่งต่อต้านยิ่งกดความกดมันก็ยิ่งโผล่เคยมีคนถามลูกปู่ดูล น, นะลูกปู่ดูนตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของลูกปู่มั่นนะท่านมารณภาพไปได้30ปีแล้ว หลวงปู่ทำไงตัดความกดให้ขลาดหลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดความกดให้ขลาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันพอรู้ทันมันมันก็จะดับไปนะแล้วความรู้ทันรู้ทันพ่ออะไรรู้ทันพ่อมีสตินะ้มีสติเนี่ยมันช่วยทำให้ใจในสงบไดนะ้แม้ว่าจะมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้ว่าจะเจออะไรที่นะชวนให้ไม่ถูกใจ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 ทีนี้เขาทำเนี่ยก็เพียงแค่ชวนให้เราโกรธแต่คําชวนเนี่ยมันก็คืออยู่ว่าอ ย, อยู่ที่ว่าเราจะรับหรือวถ้าเรารับคําชวนเราก็โกรธเราก็ไม่พอใจแต่ถ้าเราไม่รับคําชวนมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ถ้าเราหันหันหมันมาดูใจเราจะเห็นนะว่าที่จริงแล้วที่เราทุกข์ที่เราโกรธเนี่ยเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปรับคําชวนของเขาเนะนี่ยบางทีจะไปโทษเขาไม่ได้นะ